หลายคนเป็นผู้ที่มีภารกิจการงานมากมีความรบับผิดชอบในองค์กรสูงการที่จะเปลีกตัวมาที่นี่ห้าวันนะมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคนก็อาจังนึกห่วงงานที่ค้างคาอยู่ยนึกห่วงคนไข้นะที่ดูแล แต่ก็ถือว่าการมาที่นี่เนี่ยนะมันเป็นการมาเว้นวักให้กับชีวิตและงานของตัวแต่มางคนจะมองว่านี่เป็นการขัดจังหวะการทํางานทําให้งานต้องสะดุดถ้าคิดแบบนี้ก็จะรู้สึกกงังวลแล้วก็จะรู้สึกต่อไปว่าการมาที่นี่นะมันอาจจะ ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่สู้เอาเวลาที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ยไปทุ่มเทให้กับงานการให้กับคนไข้ให้กับองค์กรที่จริงอยากให้มองว่าการมาที่นี่เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญจะมองว่าเป็นการพักกายพักใจก็ได้หลังจากที่ทำงานมาหามรุ่งหามค่ำทำงานมาเหนื่อยละ ควรที่ได้มีการพักกายพักใจพักสมองแต่คนที่หมกมุ่นกับงานหรือทุ่มเทกับงานนี่ให้การพักไม่ว่าพักกายพักใจหรือพักสมองอาจจะไม่ค่อยเห็นว่าสาคัญเท่าไหร่บางเชอจจะรู้สึกผิดด้วยซ้ำนะที่จะมามาพัก ทำกลางงานที่เยอะแล้วก็ต้องฝากงานให้เพื่อนต้องช่วยทําแทนทั้งที่เขางานเยอะอยู่แล้วแบางคนก็มาด้วยความรู้สึกผิดด้วยความรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ให้มองอย่างนี้ก็ได้ว่านว่าเนี่ยมันมันเป็นส่วนของงาน การที่เรามาเนี่ยเป็นส่วนของงานเป็นส่วนที่ช่วยทำให้งานที่เราทำเนี่ยมันมีคุณภาพดีขึ้นเพราะว่าถ้าเรายังทำงานด้วยความเครียดด้วยใจที่เหนื่อยล้าด้วยกายที่ไม่ค่อยได้พักผ่อน มันก็ย่อมส่งผลกระทบต่องานที่เราทําต่อเพื่อนร่วมงานต่อคนไข้ที่เราดูแลให้ถือว่าสิ่งที่เรามาเดินตั้งใจจะมาทําในช่วง5วันเนี่ยมันมีความสําคัญนะต่องานของเราไม่ใช่แค่มาพักกายพักใจในะงานที่เราทำนะจะเปลียบไปก็เหมือนกับลําต้นของไม้ใหญ่นะ ไม้ใหญ่เนี่ยมันจะมีลำต้นที่สูงได้ก็เพราะว่ามันมีรากที่ลึกถ้าไม่มีรากที่ยังลึกลำต้นที่สูงนี่ก็อาจจะตั้งอยู่ไม่ได้นานต้นไม้ที่มีลำต้นสูงใหญ่ต่รากตื้นเนี่ยมันก็คนลมในงานถึงเวลาลมแรงพายุ กำนี่มันก็โค่นลงได้ง่ายแต่ที่เราเห็นต้นไม้ใหญ่ยังไม่โค่นง่ายๆเพราะว่าเขามีรากที่แผ่กว้างแล้วก็อย่างลึกลงไปในดินงานที่เราทำบทบาทที่เรารับผิดชอบในองค์กรมันก็เหมือนกับลาต้นนะแม้ว่ามันจะมีประโยชน์เหมือนก็กิ่งไม้ที่เป็นที่พักพิงของอสัตว์นานาชนิด แล้วก็ลำต้นที่สูงมองเห็นได้แต่ไกลใครๆก็เห็นได้ง่ายแต่ว่างานที่เราทำเนี่ยนะมันก็ต้องการอาศัยฐานฐานที่ลึกเนี่ยฐานที่ว่านี่คือฐานใจถ้าเราไม่มีฐานใจที่ลึกสุดท้าย งานที่เราทํางานที่เรารักงานที่เราทุ่มเทมันก็จะค่อยๆจะเสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างปัญหาไม่ใช่กับเราคนเดียวกับผู้คนที่เกี่ยวข้องเพราะงานเวลาผิดพลาดขึ้นมาหรือเวลาเราอารมณ์เสียงหงุดหงิดใส่คนใส่ผู้ร่วมงานใส่ผู้ป่วยมันก็เป็นปัญหาที่ต้องตามแก้ไข บางทีก็สร้างปัญหากับองค์กรถูกชาวบ้านถูกญาติถูกผู้ป่วยฟ้องร้องนะเพราะว่าการใช้อารมณ์ของหมอและพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ั้งทีก็ไม่ได้อยากจะทำเลยแต่มันเผลออดไม่ได้เพราะเครียดอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะว่าขาดฐานใจที่ที่มั่นคงนะเปลี่ยนเหมือนกับต้นไม้ที่แม้จะมีลำต้นสูงแต่ว่ารากมันตื้น การที่เรามาทําฐานใจให้อย่างลึกเนี่ยมันมันก็เป็นส่วนที่เสริมงานของเราทําให้งานที่ทำเนี่ยมีคุณภาพเกือเก้อเอืเ้อเพื่อกื้อกูลต่อผู้คนไม่ใช่แค่แต่องค์กรนะแต่กับผู้ป่วยกับญาติสมดังความมุ่งหวังของเราในสิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่ใช่งานเนี่ยที่จริงมันเป็นส่วนสำคัญของงานเลยนะมันมี ช่างคนหนึ่งเนะี่ยแกทหน้าที่เลื่อยไม้อันนี้เป็นอาชีพของแกเลแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็เลื่อยไม้ได้20แผ่นแต่วันต่อมาก็เลื่อยได้น้อยลงนะเหลือแค่18แผ่นพอถึงวันที่3เลื่อยได้15ห้แผ่นก็แปลกใจทำไมยิ่งทำเนี่ยยิ่งได้ผลงานน้อยลง แกเลยคิดว่าเนี่ยคงใช้เวลาน้อยไปนะัน้นวันที่4เนี่ยก็เลยออกไปทำงานแต่เช้าเลยแทนที่จะทำงาน9โมงก็ทำงานแต่8โมงแทนที่จะเลิกงาน5โมงเย็นก็เลิกงาน6มงเย็นคิดว่าการใช้เวลากับงานมากขึ้นจะทำให้ได้ผลงานดีขึ้นหรือเท่าเดิมหรือแม้ก็เท่าเดิมคือ20แผ่นแทนที่จะเป็น15บห้าแต่ที่ไหนได้นะ วันที่4ก็กลับเลื่อยได้แค่14แผน่นทั้งที่ทำงานหนักขึ้นนานขึ้นวันที่5้าเนี่ย อ, อยากกันนั้นเลยนะตื่นแต่เช้าเลย7จโมงเลือยตั้งแต่7โมงเช้าจนทัง้งถึงทุ่มหนึ่งเพราะก็ว่ากลับได้แค่13แผน่นเอาแผน่น ทำไมมันลดลงไปเรื่อยๆทั้งที่ทํางานหนักกว่าเดิมมากกว่าเดิมให้เวลากับงานมากกว่าเดิมแต่ทําไมยิ่งเรื่อยมันก็ยิ่งลดนะวันแรก20พอถึงวันที่5นี่มันเหลือแค่สิบแผ่นหรือไม่ถึง10แผ่นนะก็ไปรล่าใหเพื่อนฟังนะว่าทําไมยิ่งเรื่อยยิ่งทํางานผลงานก็ยิ่งน้อยลง แล้เพื่อก็เลยถามว่าเนี่ยรับคมเลื่อยครั้งสุดท้ายนี่เมื่ อ, อไหรชาวนาบอกจำไม่ได้ฉัน ไ, ไ, ไม่มีเวลาจะมารับคมเลื่อยหรอกเสียเวลาก็ขนาดเลือ่อยตั้งแต่เจ็ดมงช้าถึงทุ่มหนึ่งยังได้แค่นี้แล้วถ้ามาเสียเวลารับคมเลือ่อยเนี่ยมันก็ยิ่งเลือ่อยเลือเล่อยไม้ได้น้อยลงที่จริงไม่ใช่เลยนะถ้าเขา ถ้าเช้านันยอมเสียเวลาลับคมเลื่อยนะและไม่ใช่แค่รับวันที่สองวันที่สามแต่รับทุกวันรับทุกวันเนี่ยเผยเๆเนี่ยก็จะได้วันละยี่สิบแผ่นเหมือนวันแรกแต่เชาวนั้นเนี่ยเห็นว่าการรับคมเลื่อยเป็นการเสียเวลาเอาเวลามาเลื่อยไม้ดีกว่า การที่เรามาที่นี่เนี่ยมันก็เหมือนกับการมารับคมเรื่อ ย, ยอาจจะดูเสียเวลาทำให้ทำงานได้น้อยลงแต่จริงๆแล้วนี่มันกับช่วยทำให้งานที่เราทำมีคุณภาพมากขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่จำนวนที่เป็นปริมาณนะแต่มันเป็นเรื่องคุณภาพรับคมเรื่อยในที่หนี้งหมายถึงว่ามาทำให้ใจเรานะมีความ มั่นคงนะมีสติมีสมาธิซึ่งก็รวมไปถึงการที่รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้เท่าทันอารมณ์ไม่ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆมาครอบงำมีความเครียดก็รู้จักนะจัดการกับใจให้ความเครียดบรรเทาเบาบางอันนี้เราเป็นการทำฐานใจให้อย่างลึกนะแม้ว่ามันจะดูเหมือนว่า มองเห็นไม่ชัดนะแต่่มันก็ส่งผลต่องานที่เราทำเหมือนกับลากไม้ที่อยู่ใต้ดินมองไม่เห็นนะแต่มันมีความสำคัญมากต่อลำต้นที่สูงเด่นอยู่เหนือดินงั้นถ้าเรามองแบบนี้นะว่าการที่เรามาฝึกจิตฝึกใจเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงานในความรู้สึกผิดนะรู้สึกว่าเนี่ยเรามาทำอะไรเนี่ยมันก็จะน้อยลงและทำให้เกิดฉันทะในการ มาฝึกมาปฏิบัติมากขึ้นมีบางคนนะที่ทุ่มเทกับ ง, ง, งานมากเนี่ยเพราะว่านอกจากรักงานที่ตัวเองทำแล้วก็ยังรู้สึกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนสำคัญที่องค์กรขาดไม่ได้ถ้าไม่มีเราแล้วนี่งานมันจะไปได้ยังไง มีอาจารย์คนหนึ่งนะแกเป็นคนทุ่ททมเท ง, งานมากแล้วหนึ่งก็ป่วยเป็นมะเร็งตอนหลังเนี่ยอาการก็แย่ลงไปเรื่อยๆหมอก็มาคุยหมอคนนี้ก็ดีนะให้เวลาคนไข้คุยกับคนไข้ในเรื่องชีวิตเรื่องจิตใจมีช่วงหนึ่งเนี่ย คนไข้เนี่ยก็บอกว่าถ้าผมย้อนกลับไปได้เนี่ยผมจะไม่ทุบเทกับงานขนาดนี้ไอ ต, ตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่างานทุกอย่างต้องมีผมถ้าไม่มีผมก็ไปไม่รอดผมคิดว่าเนี่ยผมเป็นคนสำคัญของอ ง, องค์กรที่เขาขาดผมไม่ได้ ผมเลยทําทุ่มเทงานมากเลยทาทุกอย่างเพื่อความก้าวหน้าไม่ใช่ของตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อขององค์กรของหน่วยงานจนป่วยพอป่วยแล้วถึงมารู้ว่าไม่มีเรานะทุกอย่างมันก็ไปได้โลกทีไม่มีเรามันก็อยู่ได้ ไม่มีเราทำมันก็มีคนอื่นทำแทนโอไม่ได้คิดตอนที่ป่วยนะแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยผมจะดูแลตัวเองให้ดีกว่า น, นี้จะไม่เครียดจะทำเท่าที่ทำไหวแล้วคนไข้พูดแบบนี้เนี่ยส่วนก็เพราะว่ามันทำอย่างที่ต้องการทำไม่ได้แล้ว เพราะว่าป่วยอยู่ในโรงพยาบาลระยะสุดท้ายแต่ที่ก็พูดน่าสนใจถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยผมจะไม่ทุ่มเทขนาดนี้ผมจะดูแลตัวเองให้ให้ดีกว่านี้จะไม่เครียดจะทำเท่าที่ทำได้ดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้เนี่ยคงไม่ใช่แค่ดูแลในเรื่องสุขภาพกายเดียวนะ คงจะรวมไปถึงการดูแลสุขภาพใจด้วยเพราะว่าอาจารย์นี้ก็ทำงานหนักจนเครียดในการที่คนเราเนี่ยรู้ว่าเครียดไม่ดีอยากจะดูแลให้ตัวเองไม่เครียดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอยากอยากแล้วจะทำได้อย่างที่อยากนะอยากไม่เครียดเนี่ยมันต้องฝึกด้วยนะ ฝึกอะไรนะฝึกใจนะฝึกใจให้มีท่าทีที่ดีต่องานรวมทั้งรู้จั ก, จกปล่อยรู้จักวางด้วยแล้วก็รู้ว่าทำเท่าไหร่เนี่ยนะมันจึงจะพอไม่ใช่ทำอย่างทุ่มเทหลงหมกบุญกับงานซึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นการเสียสละนะแต่สุดท้าย ก็ทให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะทำงานได้นานอย่างที่คิดถ้าคนที่รักงานทุ่มเทงานเนี่ยถ้าถ้าดูแลสุขภาพดีทั้งกายและใจเนี่ยสามารถจะทำงานไปได้นานนะจนกะเกษียณเลยก็ได้หรืออาจจะหลังกเกษียณก็ได้แต่ถ้าทุ่มเทจนไม่รู้จักพักทั้งกายและใจสุดท้ายก็ทำไม่ได้นานเนี่ยอย่างอาจารย์นี้ก็อายุแค่สีกว่าเท่านั้นเอง ก็กลายเป็นว่าเนี่ยทำงานโดยไม่พักเนี่ยกลับทำให้ทำงานได้น้อยลงมันก็เหมือนกับชายที่เลื่อยไม้เนี่ยแต่ไม่รู้จักหรือไม่เห็นคุณค่างการรับคมเลื่อยอยากจะทุ่มเทเวลาที่มีอยู่ให้กับการเลื่อยไม้สุดท้ายยิ่งทำก็ยิ่งน้อยลงได้ผลงานน้อยลงแต่ว่า มไม่หนักเท่ากับอาจารย์คนนี้กนะ็คือว่าสุขภาพแย่จงกระทั่งไม่สามารถจะทำงานต่อไปได้และสุดท้ายก็ได้เห็นนะว่าไม่มีเราทุกอย่างก็ไปได้ของมันไม่มีเราก็มีคนอื่นทำแทนได้ในการที่เราจะดูแลใจไม่ให้เครียดเนี่ยนะมันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะมันไม่ใช่แค่ว่า มีเวลาพักผ่อนแล้วจะไม่เครียดบางคนแม้จะนอนหลับแต่ก็ใจก็ไม่ได้พักพอาะใจไม่ได้พักกายก็ไม่ได้พักด้วยเพราะว่าใจมันคิดฟุ้งปรุงแต่งคิดวิตกกังวลสารพัดบางทีก็เก็บเอาเรื่องราวของคนอื่นมาทิ่มแทงจิตใจของตัวเองเช่นคาพูดหรือว่ากิริยาอาการของเพื่อนร่วม ง, งานเวลามีเรื่องทะเลาะบอะแว้งก็เก็บเอามาคิด นะทำให้นอนไม่หลับทำให้เครียดหนักอันนี้มันต้องอาศการฝึกใจด้วยนะแล้วคนร้อนถ้าเครียดมากๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ออกมาเป็นโรคที่อันตรายนะอย่างมะเร็งนะอาจจะทำให้เรามีพฤติกรรมที่เรียกว่าตัดอนาคตของตัวเราเองเลยก็ได้ซึ่งหลายบงซึ่งหลายคนเนี่ย กว่าจะมารู้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามันสายไปแล้วอย่างหมอพิสุทธิ์เนี่ยบุญกระเสรมสันติเนี่ยแกได้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะในช่วงที่ติดคุกอยู่เนี่ยแกโดนตัดสินประหารชีวิตนะแต่ตอนหลังก็ถูกลดโทษมาเหลือติดคุกตลอดชีวิตไต้องทำความดีม า, มากาก็เลยได้รับการยลดห ย, ย, ย่อนพ้นโทษติดคุกไม่กี่ปีก็ออกมาก่อนที่แกจะออกมาแกพูดไว้น่าสนใจบอกว่าเนี่ย เสียดายที่ทุ่มเทกับงานการมากไปไม่ค่อยได้ฝึกปฏิบัติธรรมเท่าไหร่สมัยก่อนในหัวมันมีแต่เรื่องงานเรื่องตำราวิชาการงานวิจัยนะไม่ค่อยได้ฝึกจิตฝึกใจหรือเรียนรู้เรื่องการคล่องสติเลยถึงตอนนี้รู้แล้วว่าเนี่ยสิ่งที่สําคัญกับวิชาความรู้หรือสําคัญกับงานการ จะแกบอกอกนะว่าถ้าย้อนกลับไปเป็นหนุ่มได้เนี่ยจะให้เวลากลับการฝึกปฏิบัติธรรมไม่ใช่มารอให้แก่แล้วก็ค่อยคิดทำพูดเหมือนกับอาจารย์ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้า ย, ยถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยจะไม่ทุ่มเทให้กับงานการอย่างนั้นอีกแล้วเพียงแต่ว่า หมอวิสุทธิเนีแกพูดชัดเจนเลยนะวันเนียเป็นเพราะว่าให้เวลากับการฝึกปฏิบัติธรรมน้อยไปไม่ค่อยได้มีเวลาฝึกจิตฝึกใจเรียนรู้เรื่องคารครองสติถ้าย้อนกลับไปเป็นหนุ่มได้ก็จะฝึกปฏิบัติให้มากขึ้นไมไ่ใช่มารอทาตอนแก่นี่ถ้าแกหมายความว่ า, ถ, าถ้าได้ฝึกปฏิบัติธรรม เรียนรู้เรื่องการคลองสติตั้งแต่ยังหนุมก็คงจะรับมือกับความความทุกข์ในชีวิตหรือว่าปัญหาชีวิตคู่ได้ไม่ถึงกับบรรดาโทสะนะจนกระทั่งต้องาถูกตัดสินลงโทษผ่านชีวิต้วทำให้งานการที่มีอนาคตมันก็เลยดับบูบลงไป ทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อแล้วนะว่าเนี่ยเรื่องการฝึกจิตฝึกใจเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือเรื่องการฝึกตนเพื่อครองสติได้เนี่ยสำคัญมากมันสําคัญทั้งกับการงานแล้วก็สําคัญกับชีวิตส่วนตัวและเนี่ยถ้าเราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมอย่างนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดกําลังใจนะในการปฏิบัติ และได้ตระหนักเลยนะว่า้งานภายนอกกับงานภายในนี่มันแยกจากกันไม่ออกนะมันสัมพันธ์กันมากนะถ้าเราจะทํางานภายนอกให้ได้ผลดีมันก็ต้องมีงานภายในเข้ามาเสริมงานภายในคืองานสุดจิตสุดใจแล้วถ้ามีงานภายในที่ดี มันก็ช่วยทำให้งานภายนอกเนี่ยไม่พาเราเข้ารกเข้าพงหมายความว่าไม่ไปทุ่มเทกับงานการจนกระทั่งร่างกายย่าแย่สุขภาพจิตเสื่อมโทรมหรือว่าเกิดความขัดแย้งกับผู้คนบางทีงานภายในบางงานภายนอกไม่สร้างปัญหานะแต่ว่าชีวิตส่วนตัวมันไปก่อปัญหาเพราะว่าฐานใจเนี่ยไม่ได้หนักแน่น ไม่รู้จักการคลองสติเวลามีสิ่งกระทบเกิดบันดาลโทสะ ข, ขึ้นมาคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็ทำสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลังหรือสร้างความเดือดร้อนใจให้ในเวลาเราถ้าเรานะเห็นคุณค่าของงานภายในเห็นคุณค่าของการฝึกจิตเนี่ยก็ถือว่านะมันเป็นสิ่งสำคัญ ของชีวิตและถ้าเราถือว่ามันเป็นงานอย่างหนึ่งนะแม้มันจะมีอุปสรรคอย่างไงก็จะทำให้เราเนี่ยมีความเพียรพยายามไม่ท้อถอยเพราะวาเวลาเรามาปฏิบัติทํเนี่ยนะมันจะมีอุปสรรคหลายอย่างเริ่แต่ความง่วงเหงาหานอนนะความเบื่อความเซ้ง หลายคนเนี่ยขั้ามการปฏิบัติเพราะว่าพอมาพอมาฝึกปฏิบัติธรรมมาเจริญสติโอ้เป็นโดนอารมณ์ต่างๆเข้ามารบกวนมากแต่มันไม่ได้เป็นอารมณ์ที่ร้ายแรงอะไรหรือรุนแรงนะมันก็แค่ความง่วงและความเบื่อซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าอารมณ์ที่มารบกวนเราขณะที่เราทำงานด้วยซ้ํา เวลาทำงานมันจะอารมณ์โกรธความโกรธความเหนื่อยล้าความเครียดความผิดหวังความทอ้อแท้แต่ว่าเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยมัน ก, ก็แค่ง่วงแล้วก็เบื่อซึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเออนี่มันก็เป็นงานอย่างหนึ่งนะเราจะมีกำลังใจในการที่จะฝันฝ่า ไม่ยอมแพ้เพราะว่าตอนที่เราทํางานเนี่ยเราเจออะไรหนักกว่านี้เยอะเราเจอเรื่องที่บางทีเป็นคอขาดบาดตายด้วยซ้ำํำเราก็สามารถผ่านมาได้แล้วกับความง่วงนอนความเบื่อความเซ็งเนี่ยเราจะยอมแพ้มันได้อย่างไรมันก็มันดูจิจ๊บจิ่อยมากความเสี่ยงก็น้อย เพราะมันมีแต่เรานะที่ต้องเจออารมณ์พวกนี้ถ้าเราทำใจหรือมองแบบนี้นะมันก็ทำให้ในสิ่งที่เราวันนี้วอนเนี่ยความเบือ่อความง่วงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญต่อไปแล้วเราต้องยอมรับมันเป็นธรรมดานะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยก่อนมานี้เนี่ยมันถูกสิ่งเรา้า กระตุ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นงานการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถกเถียงเกี่ยวกับวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารยังไม่นับไอ้ความสนุบสนานความบันเทิงที่ล้วนแต่เป็นสิ่งเล่าที่ทำให้จิตใจเราตื่นจิตใจเราเรียกว่าตื่นตัวแต่พอมาอยู่แบบนี้เนี่ยมันไม่เคยมีสิ่งเล้า ที่มากระตุ้นจิตเราใจเท่าไหร่มันก็ธรรมดาที่วันแรกๆมันจะง่วงยิ่งต้องทำสิ่งที่ซ้าๆกันจดูเหมือนจำเจนเะช่นเดินไปเดินมายกมือไปยกมือมาไม่เหมือนเวลาอยู่ที่ทำงานนี่ทำโน่นทำนี่มันมีอะไรใหม่ๆเข้ามากระทบหรือมีอะไรใหม่ๆให้ทำนะจิตลราก็เลยตื่นไม่ง่วงแต่บางที มันตื่นจนหลับไม่เป็นนะตรงข้างเราอยู่ที่นี่เนี่ยโอ้มันมีแต่เรื่องที่ทําซ้ําๆให้ความง่วงความเบื่อเนี่ยมันจะรบกวนเรามากนะวันสองวันแรกแต่ถ้าเราถือว่านะ น, นี่คืองานอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อชีวิตด้วยครนะอบครัวของเราคนรักของเราก็จะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่การปฏิบัติของเรานี่แหละ พราะถ้าเราปฏิบัติไม่ใส่ใจในการปฏิบัติสุดท้ายก็ไปความทุกข์ของเราก็ไปออกที่คนรักลูกบ้างพ่อแม่บ้างสามีภรรยาบ้างหรือคนไข้หรือเพื่อนร่วมงานแต่ถ้าเราดูแลจิตใจตัวเองดีนะใจเราก็จะสงบเย็นได้ง่ายและก็จะไปกาะปัญหากับเพื่อนได้น้อยลงหรือคนที่เรารักได้น้อยลง นี่ถือว่างานที่เรางานภายในเนี่ยนะที่เรากำลังจะทำในช่วง 3-4 วันเนี่ยมันมีความสำคัญจริงๆ ม, มีความสำคัญเช่นที่ว่าคนที่เขาละเลยไม่ทำเนี่ยต้องมานึกเสียใจในภายหลังแล้วถึงตอนนั้นก็ย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วแม้จะอยากจะย้อนเวลาก็ตาม